สำนวนแบบที่แสดงหลักปฏิบัติครบทั้งสมถะและวิปัสนาต่อเนื่องกันมีอยู่สองสำนวนและทั้งสองสำนวนล้วนแสดงหลักปฏิบัติที่เรียกได้ว่าเป็นวิปัสนาครอบยอดสมถะคือมันเป็นสมถะจนครบถ้วนบริบูรณ์จนถึงสุดยอดของสมถะก่อนแล้วจึงหันมาจเจริญวิปัสนาต่อท้ายจัดได้ว่าเป็นมาตรฐานการปฏิบัติแบบสูงสุดในที่นี้จะคัดหมายดูทั้งสองแบบ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 พระพุทธองค์ตรัสกับสัจกะนิครนเล่าถึงคืนวันตรัสรู้สำนวนเป็นดังนี้ดูกระอัิเวสณนะเรานั้นแหล่ฉันอาหารหยาบให้กายได้กำลังแล้วสังัดจากการมทั้งหลายสังัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปถมฌานบรรลุทุติยฌานบรรลุตติยฌานบรรลุจตุตฌานอยู่เรานั้น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 นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทารู้ชัดตามที่มันเป็นว่าเหล่านี้อาสะวะนี้อาสะวะสมุทยัยนี้อาสะวะนิโรธนี้อาสะวะนิโรธคามิหนีปฏิปทาเรานั้นเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็หลุดพ้นแล้วแม้จากกามาสะวะแม้จากภาวาสะวะแม้จากอาวิชชาสะวะเมื่อหลุดพ้นแล้ว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 ญาณทัศนะซึ่งญาณทัศนนี้พระอัตถกถาเรียกว่าเป็นวิปาาัสนาญาณวิชาที่สองมโนมยาพินิมมานวิชานี้เท่ากับมโนมยิทธิคือเนอรมิตกายอื่นจากกายนี้วิชาที่สอิทธิวิทาคือแสดงฤทธิ์ต่างๆวิชาที่สทิทิพโสดคือหูทิพวิชาที่หเจโตปริยญาณคือรู้ใจคนอื่น วิชาที่6ปุกเพนิวาสานุสติยานวิชาที่7จุตูปปาตายานและวิชาที่8อาสวรกยายานและบางแห่งกล่าวถึงการน้อมจิตไปเพื่อวิชาข้อสุดท้ายคืออาสวรกยายานเพียงอย่างเดียว